วันนี้เป็นวันพระรหัสสัปดีที่ยี่สิบสองธันวาคมพุทธศักราชสอง5้า้าเป็นวันพระวันธรรมัสวนะวันฟังธรรมวันศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่เป็นคำสั่งคำสอนอันเลิศอันประเสริฐที่จะสอนวิธีหาความสุขต่างๆให้กับผู้ที่มีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาความสุขที่พู้เจ้าทรงสอนนั้นทรงสอนไว้ในสองระดับด้วยกัน คือระดับที่หนึ่งคือระดับของคารวาสผู้ครองเรือนและในระดับที่สองคือความสุขของบรรพชิตหรือนักบวชความสุขทั้งสองระดับนี้มีวิธีมีเหตุที่จะทำให้เกิดความสุขนั้นต่างกันและมีความสุข มากน้อยต่างกันมีความยากง่ายต่างกันถ้าเราศึกษาเราก็จะสามารถเลือกความสุขแบบไหนที่เหมาะสมกับเราก็ได้ความสุขระดับแรกนี่คือความสุขของผู้ครองเรือนผู้ครองเรือนก็คือผู้ที่ยังไม่ได้เป็นนักบวช ผู้ที่ยัต้องทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องหาเงินหาทองเพื่อมาดํารงชีพเพื่อให้ความสุขแก่ตนเองความสุขของผู้ครองเรือนนี้พุทธเจา้าทรงตัดไว้ว่ามีอยู่3ามเหตุ3ประการ4เหตุ4ประการด้วยกันคือเหตุที่หนึ่งเหตุของความสุขของผู้ครองเรือนก็คือ การได้ทรัพย์หรือการมีทรัพย์เพราะว่าเวลามีทรัพย์หรือเวลาได้ทรัพย์มานี้ก็จะสามารถนำเอาทรัพย์ไปซื้อความสุขต่างๆได้นั่นเองนี่คือเหตุข้อที่หนึ่งของความสุขของคารวะญาติโยมคือการมีทรัพย์หรือคือการได้รับทรัพย์มา พอที่สอง mm. เหตุของความสุขของผู้ครองเรือนก็คือการได้ใช้ทรัพย์ที่ได้มานั่นเองเวลามีเงินแล้วถ้าไม่ได้ใช้มันก็ยังไม่มีความสุขมีความสุขครึ่งเดียวความสุขที่รู้ว่ามีเงินมีทองที่จะเอาไปซื้อความสุขต่างๆได้แต่ถ้าเก็บเอาไว้เฉยๆไม่เอาไปใช้เลยก็ยังจะไม่ได้ความสุข ขั้นที่สองคือความสุขจากการใช้เงินใช้ทองแล้วก็เหตุของความสุขขั้นที่สามของผู้ครองเรือนก็คือการไม่มีหนี้สินเพราะว่าการมีหนี้สินนี้จะสร้างความทุกข์ให้กับจิตใจนั่นเองเวลาไม่มีหนี้สินก็จะรู้สึกสบายอกสบายใจ ไม่ต้องมีภาระที่จะมาคอยกดดันให้ไปหาทรัพย์มาเพื่อเอาไปใช้หนี้ใช้สินต่างๆเหตุของความสุขของผู้คลองเรือนท่อที่สี่ก็คือการกระทำที่ไม่เกิดโทษไม่เกิดความเสียหายกับตนเองและผู้อื่นคือการไม่กระทำบาป ไม่กระทำผิดกฎหมายไม่เสพอบายามุขต่างๆเป็นต้นนี่คือเหตุของความสุขของผู้คองเรือนมีอยู่4เหตุด้วยกันเราจะมาศึกษาดูว่าแต่ละเหตุนั้นเกิดขึ้นมาได้อย่างไรการการมีสุขที่เกิดจากการมีทรัพย์หรือเกิดจากการได้ทรัพย์มา เกิดขึ้นจะได้อย่างไรก็เกิดขึ้นได้สองวิธีใหญ่ๆเพื่อหนึ่งเกิดจากการมีความขยันหมั่นเพียรในการทรมาหากินหาเงินหาทองมานั่นเองถ้ามีความเกียดข้านไม่ไปทรมาหากินหาเงินหาทองรายได้ก็จะไม่มี เงินการจะมีทรัพย์หรือได้ทรัพย์ก็จะไม่เกิดขึ้นแต่ถ้ามีความขยันหมั่นเพียรที่จะคอยทำมาหากินหาเงินหาทองโดยแบบที่ไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมคือโดยไม่กระทําโดยให้เกิดโทษกับตนเองหรือเกิดโทษกับผู้อื่นการหาเงินหาทองด้วยอาชีพที่สุดเจริต อันนี้ก็จะทําให้เกิดความสุขปราศ จ, จากโทษขึ้นมาอันนี้เป็นวิธีหนึ่งอีกวิธีหนึ่งก็คือความสุขการมีทรัพย์ที่เกิดจากการได้ทําบุญมาในอดีตการทําบุญทําทานในอดีตนี้จะส่งผลให้ผู้ที่ได้ทําบุญทําทานในอดีตนั้นเกิดมาร่ํารวย โดยที่ไม่ต้องไปทำมาหากินเช่นไปเกิดบนกองเงินกองทองของพ่อแม่ที่มีทรัพย์มีสมบัติหรือเกิดมาแล้วได้พบกับผู้ใจบุญที่คอยสนับสนุนให้ความช่วยเหลืออยู่อย่างสม่ำเสมอ อันนี้ก็เป็นเรื่องของอดีตชาติของบุญที่เราได้ทํากันไว้ในอดีตเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เราทำกันในอดีตชาตินั้นเป็นเหมือนกับไปฝากไว้ในธนาคารธนาคารบุญพอเรามาเกิดชาตินี้ธนาคารบุญก็จะจ่ายเงินให้กับเราจ่ายดอกเบี้ยให้ด้วย เงินที่เราทำนี้จะพอกพูนเพิ่มบดอกเบีย้ยขึ้นมาหลายหลายเท่าด้วยกันเพราะว่าปาที่เราจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์ในแต่ละครั้งนี้อาจจะต้องใช้เวลาอันยาวนานไม่ได้ตายแล้วก็เกิดมาทันทีเสมอไปอาจจะมีบ้างบางรายที่ตายแล้วก็ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ แต่ส่วนใหญ่เมื่อตายไปแล้วก็จะต้องไปรับผลบุญผลบาปในสุคติหรือในทุกคติก่อนถ้าบุญไม่ถ้ามีบุญมากกว่าบาปก็ไปเกิดในสวรรค์ชั้นต่างๆจนกว่าบุญที่ได้สะสมไว้นั้นกำลังของบุญได้ลดกำลังลงมาเท่ากับกำลังของบาป ก็จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เช่นเดียวกับผู้ที่ทำบาปมากกว่าทำบุญบาปก็จะดึงให้ใจนี้ไปเกิดในอบายก่อนไปเกิดเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นนสุรกายไปอยู่ในนรกก่อนจนกว่าบาปที่มีกำลังมากกว่าบุญนั้นได้ลดลงอยู่ในปริมาณเท่ากับบุญ ถึงจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่สําหรับผู้ที่ไม่ได้ทําบุญทําแต่บาปมากกว่า บ, บุญเวลากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็จะมาเกิดแบบยากจนแบบไม่มีทรัพย์ไม่มีเงินทองเพราะว่าไม่ได้ฝากบุญไว้ในธนาคารบุญนั่นเองมีแต่ไปคอยลักทรัพย์ของผู้ทําบาปด้วยการลักทรัพย์ ด้วยการไปพ้นไปจี้เงินทองของผู้อื่นไปชอ่อโกงไปหลอกลวงเอาเงินทองของผู้อื่นไปใช้จึงไม่มีไม่มีบุญติดไว้ในธนาคารบุญมีแต่บาปแบบนี้จึงไม่สามารถที่จะทำให้เกิดมาแล้วร่ำรวยได้เกิดมาแล้วก็ต้องอยู่แบบยากจนอัตคัดขัดสน น, นี่ทำไมคนเราถึงเกิดมาแล้วจึงไม่เหมือนกันบางคนเกิดมาแล้วอยู่บนกองเงินกองทองพ่อแม่ร่ำรวยหรือถ้าไม่ร่ำรวยก็เป็นคนที่มีคนคอยดูแลอุปถัมภ์เลี้ยงดูให้มีเงินทองได้ใช้สอยอยู่เรื่อย โดยที่ไม่ต้องทำมาหากินอะไรให้ลาบากยากเย็นอันนี้ก็เป็นอ น, นิสง์ของบุญที่ได้ทำไว้ในอดีตชาติผู้ที่เกิดมายากจนแรนแคนก็เป็นเพราะว่าไม่ได้ทำบุญทำแต่บาปไปช่อกงไปรักทรัพย์ของผู้อื่นมาใช้พอเกิดมาก็เลยไม่มีทรัพย์สมบัติติดตัวมา มีแต่นี่สินมีแต่เจ้ากรรมนายเวรมีแต่เรื่องมีแต่ปัญหามาคอยรุมเล้าชีวิตอยู่ตลอดเวลานี่เป็นผลที่เกิดจากการทำบุญหรือทำบาปในอดีตยังมาส่งผลให้ชีวิตของพวกเรานั้นแต่ละคนไม่เหมือนกันชีวิตบางคนก็ร่ำรวยสะดวกสบาย บางคนก็ไม่ร่ำรวยไม่สะดวกไม่สบายบางคนก็กลางๆไม่รวยไม่จนพออยู่พอกินไปอันนี้เพราะว่าในอดีตนั้นแต่ละคนทำบุญทำบาปมามากน้อยไม่เท่ากันนั่นเองยังส่งผลให้มาเกิดมาเกิดแบบมีทรัพย์ติดตัวมามาเกิดบนกองเงินกองทอง นี่คือเหตุที่ทำให้การมีทรัพย์ของแต่ละบุคคลนี้มีเหตุอยู่สองประการใหญ่ๆคือการได้ทำบุญในอดีตแล้วก็จะทำให้มาเกิดในครอบครัวที่มีฐานะการเงินการทองดีมากดีน้อยก็อยู่ที่ทำมากทำน้อยเช่นยกตัวอย่างเจ้าชายสิทธัตถะนี้ อดิตชาติก็ได้เป็นพระเวชสันดรพระเวชสันดนรนดนก็ทําบุญทําทานอย่างมากมายไม่เสียดายทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่มีอยู่เพราะมีความสุขที่ได้จากการทําบุญทําทานนั่นเองจึงสามารถทําบุญทําทานได้อย่างมากมายพอตายไป ใจที่มีบุญมากกว่าบาป ก, ก็จะถูกบุญให้ไปเกิดในสวรรค์ก่อนพอบุญกำลังของบุญลดลงมาเท่ากับกำลังของบาป ก, ก็มาเกิดเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะเป็นพระราชกุมารของลูกของพระเจ้าแผ่นดินไม่ต้องทำอะไรเกิดมาก็มีเงินมีทองรออยู่แล้ว มีพ่อที่จะคอยบ้อนทรัพสมบัติต่างๆให้กับลูกอย่างไม่ขาดสายสร้างปราสาทสามฤดูไว้ให้อยู่แล้วก็หาบริษัทบริวารมาคอยรับใช้หาเครื่องใช้ไม้สอยหาเครื่องบรรดะบรรเทิงเสื่องบรรดาลความสุขต่างๆให้กับเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะ ได้เสกได้สัมผัสอย่างเต็มที่นี่คือการมีทรัพย์ที่เกิดจากการได้ทำบุญมาในอดีตสำหรับคนที่มาเกิดแล้วไม่มีบุญติดตัวมาไม่มีทรัพย์ติดตัวมาอาจจะมาเกิดในครอบครัวที่ยากจนแต่ก็ยังสามารถทำให้ตนเองมีทรัพย์ได้ทำให้ตนเองร่ำรวยได้ ถ้ามีความขยันหมั่นเพียรในการทรมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอย่างบรรดาเจ้าสัวต่างๆที่ร่ำที่รวยกันถ้าศึกษาประวัติของเจ้าสัวเหล่านี้เขาก็เป็นคนที่ยากจนมาก่อนมีเสือใบหมอนใบมีมาจากเมืองจีนมาตั้งโลกลากอยู่เมืองไทยแล้วก็ประกอบ การค้าขายทำอาชีพที่สุดจลิตทาเป็นการกระทำที่ไม่เกิดโทษได้เงินได้ทองมาก็เก็บหอมรอมริบไว้งานนี้ก็แทบไม่มีวันหยุดพวกนี้ปีหนึ่งก็หยุดแค่สามวันสองวันวันตรุษจีนดังนั้นเขาทำงานทุกวันวันเสาร์อาทิตเขาก็ทำเพราะเขาเห็นว่าทำงานแล้วเงินเข้า ถ้าหยุดทำงานแล้วไปเที่ยวนี่เงินออกเขาก็เลยรู้ว่าไม่ทําไม่ต้องการให้เงินออกให้มีแต่เงินเข้าเพราะต้องทำงานไปเรื่อยๆ mm hmm. เขาก็สามารถที่จะร่ำรวยขึ้นมาได้หาเงินหาทองได้เงินมาก็เอามาขยายมาลงทุนเพิ่มเปิดสาขาต่างๆเพิ่ม mm hmm. ตอนต้นก็เริ่มต้นที่สาขาเดียว mm hmm. แล้วก็ทำไปเรื่อยๆ อย่างห้างเซ็นทรัลนี่ตอนสมัยก่อน mm hmm. ก็มีอยู่ห้างเดียวขายของไปแล้วก็ขายดิดขายดี mm hmm. ก็ขยายเพิ่มสาขาต่างๆขึ้นมาจนนี้จนเดี๋ยวนี้ไปถึงต่างประเทศได้แนละ้วขายายไปเรื่อยๆนี่เพราะความขยันหมั่นเพียรในการทำมาหากินถึงแม้จะโกดเกิดมาไม่ร่ำไม่รวยก็ตาม ไม่ได้เกิดมาบุญกองเงินกองทองแต่ถ้ารู้จักทำมาหากินหาเงินหาทองรู้จักอดออมไม่ใช้เงินแบบสุรุยสุรายได้เงินมาก็แทนที่จะเอาไปใช้ก็เอาไปขยายเอาไปต่อยอดด้วยการไปลงทุนเพิ่มเติมขยายกิจการให้กว้างใหญ่ไพศาลมากขึ้นไปตามลาดับอันนี้ก็จะทำให้เกิด มีทรัพย์ขึ้นมาได้มีความสุขขึ้นมาได้นะนี่เหตุข้อแรกของความสุขของผู้ครองเรือนเกิดจากบุญที่ได้ทำไว้ในอดีตทำให้มีทรัพย์มาเกิดแล้วก็มีทรัพย์รอรับอยู่หรือถ้าไม่มีทรัพย์แต่มีความขยันหมั่นเพียรมีความฉลาดรู้จักคิดรู้จักรู้จักใช้รู้จกัจ ก, จ ก, จกเก็บ ใช้เท่าที่จำเป็นอนไนที่ไม่จำเป็นก็จะไม่ใช้เก็บเอาไว้ไปลงทุนเพิ่มเติมเพื่อจะได้เพิ่มรายได้ให้มีเพิ่มมากขึ้นบรรดาที่เป็นเจ้าเสวอเป็นมหาเศียทีในประเทศไทยนี้รวนมาจากครอบครัวที่ไม่ได้ร่ารวยกันทั้งนั้นแต่อาศัยความขยันหมั่นเพียร จึงทำให้ได้กลายเป็นมหาเศรษฐีกันอันนี้คือความสุขของผู้ครองเรือนเหตุข้อที่หนึ่งคือการมีทรัพย์หรือการได้ทรัพย์มาโดวยวิธีการสองวิธีด้วยความขยันหมั่นเพียรทมหากินหรือ ว, ว่าด้วยบุญเก่าที่ได้ทำเอาไว้อันนี้เป็นเหตุของความสุข ขอที่หนึ่งของผู่กองเรือนเอของความสุขข้อที่สองก็คือเมื่อมีทรัพย์แล้วก็ต้องใช้ทรัพย์นี้ให้เกิดความสุขการใช้ทรัพย์นี้ก็มีวิธีใช้ได้สองวิธีใช้แล้วทาให้เกิดความสุขหรือใช้แล้วทาให้เกิดความทุกข์ก็ได้ขึ้นอยู่กับว่ารู้จักใช้วิธีไหนเท่านั้นเองวิธีใช้ที่ ทำให้เกิดความสุขก็คือการใช้กับสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีพเช่นใช้กับปัจจัยสี่ใช้ซื้อเอาเงินเอาเงินเอาทองนี้ไปซื้อปัจจัยสี่มาเลี้ยงดูร่างกายซื้ออาหารซื้อเครื่องนุ่มหมซื้อที่อยู่อาศัยซื้อยารักษาโรคเอามาเลี้ยงดูร่างกาย เมื่อร่างกายได้มีการดูแลเลี้ยงดูด้วยปัจจัยสี่ร่างกายก็สุขสบายใจก็สุขสบายไปกับร่างกายด้วยแต่การเลี้ยงดูก็ต้องรู้จักประมาณถ้าเลี้ยงดูแบบไม่รู้จักประมาณก็อาจจะทําให้เกิดโทษก็ได้ว่าอาจจะใช้ใช้ทรัพย์มากไปกว่าที่ตนเองมีอยู่ อาจจะทำให้ต้องไปก่อห น, นี้กู้หนี้ยืมสินขึ้นมาฉะนั้นผู้ที่ไปอยู่อยู่เกินเกินรายได้ของตนนี่มักจะลำบากมักจะทุกข์กับการที่จะต้องคอยผ่อนคอยจ่ายเพราะไปสร้างหนี้สินขึ้นมาอันนี้ก็เป็นความสุขชนิดที่สามก็คือการไม่มีหนี้สินการที่จะใช้ทรัพย์ให้เกิดความสุขและไม่เกิดโทษ ต้องรู้จักประมาณของการใช้ใช้สอยว่าเรามีมากมีน้อยเท่าไหร่รายจ่ายนี้ไม่ควรที่จะมีมากกว่ารายรับควรจะมีน้อยกว่าแล้วน้อยกว่าเพื่อที่จะได้มีส่วนที่เก็บสำรองเอาไว้เพราะชีวิตของเรานี้ไม่มีอะไรแน่นอนบางทีรายรับก็มาได้เรื่อยๆ แล้วบางทีรายรับก็อาจจะหยุดชะ ง, งักไปอย่างเช่นในช่วงที่มีโรคระบาดนี่ต้องมีการปิดกิจการปิดร้านปิดการค้าขายกันพวกที่มีรายได้นี่ก็หดหายไปทำให้เดือดร้อนทุกข์กันขึ้นมาเพราะว่าส่วนหนึ่งก็เกิดจากการที่เวลามีรายได้ก็ใช้กันแบบฟุ่มเฟือย ไม่เคยคิดถึงการเก็บสำรองเอาไว้เผื่อในวันที่อาจจ ะ, ะไรายได้ขาดแทลนขึ้นมาอันนี้ก็อะไรทําให้เดือดร้อนกันเราต้องพิจารณาให้เห็นว่าชีวิตของเรานี้โลกของเรานี้มันไม่มีอะไรแน่นอนบางช่วงเศรษฐกิจก็จเจริญก้าวหน้า ร, รุ่งเรืองรายได้เข้ามากันเป็นกอบเป็นกำ บางช่วงก็เศษรษฐกิจตกต่ำถดถอยรายได้หดรายได้น้อยลงหรืออาจจะไม่มีเลยสำหรับบางคนบางคนถึงกับสิ้นเนื้อประดาตัวไปก็มีเพราะว่ากิจการที่ทำนั้นไม่สามารถดำเนินต่อไปได้เพราะไม่มีลูกค้าที่จะมาสนับสนุนทำให้เกิดรายได้ขึ้นมาอย่างนั้นการใช้ใจ่ายควรจะใช้ใจ่ายให้ อยู่ในระดับที่ปลอดภัยที่ยังสามารถที่จะประคับประคองให้ชีวิตอยู่ไปได้อย่างมีความสุขก็ควรที่จะแบ่งเงินไว้ค่าใช้ใจ่ายไว้3ามส่วนด้วยกันถ้าเป็นไปได้ส่วนหนึ่งก็ใช้ใจ่ายสำหรับความจำเป็นของร่างกายปัจจัยสีอีกส่วนหนึ่งก็เอาเก็บสำรองไว้ แต่วันข้างหน้าเกิดมีอุบัติเหตุมีมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันที่ทำให้รายได้ที่เคยเข้ามาอย่างต่อนเนื่องนั้นหดหายไปเราก็จะได้มีเงินสำรองนี้เอามาชใช้ได้ทำให้เรายังไม่เดือดร้อนทำให้เรายังมีความสุขได้แล้วอีกส่วนส่วนที่สามนี่ก็สำคัญส่วนนี้ต้องมีศรัทธาความเชื่อในเรื่องบุญเรื่องบาป ต้องเก็บส่วนที่สามไว้สำหรับการทำบุญทำทานอย่าไปมองว่าการทำบุญทำทานนี้เป็นการสูญเปล่าเป็นการเสียแต่ถือว่าเป็นการลงทุนเป็นการเอาเงินฝากไว้ในธนาคารบุญเพื่อที่ชาติหน้าถ้าเรายังต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อยู่เราก็จะได้มีเงินที่เราสะสมไว้นี้มารับใช้เรา เหมือนกับพระเวชสันดรมาเกิดเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะมีเงนินมีทองไม่เดือดร้อนไม่ต้องดิ้นรนไม่ต้องทำมาหากินมีคนเลี้ยงดูมีพ่อแม่ร่ำรวยหรือบางคนพ่อแม่ไม่ร่ำรวยแต่ก็มีคนใจบุญม า, มาสนับสนุนส่งเสริม อ, อันนี้การใช้จ่ายที่จะทำให้เกิดความสุขขึ้นมา คนจะใช้ใจ่ายในรูปแบบนี้คือแบ่งไว้สามส่วนด้วยกันส่วนหน้าก็ใช้ใจ่ายกับสิ่งที่จําเป็นต่อาการดํำรงชีพซึ่งไม่จําเป็นจะต้องเป็นของแพงๆเป็นของหรูหราของถูกของไม่แพงก็ทําหน้าที่ได้เท่ากับของหรูหราของแพงเชื่อไหมเสื้อผ้าชุดละห้าร้อกับชุดละห้าพันี้มันก็ทําหน้าที่เหมือนกัน มันก็ปกปิดร่างกายป้องกันภัยจากแมลงสัตว์กัดต่อยหรือป้องกันภัยจากอากาศหนาวเย็นเป็นต้นมันก็ทําหน้าที่ได้เหมือนกันห้าร้อยก็ทําหน้าที่ได้กับเท่ากับห้าพันแล้วเรื่องอะไรเราไปเสียห้าพันทำไมทุ่งเสียห้าร้อยแล้วเก็บอีกสี่พันห้าไว้เป็นเงินสํารองไม่ดีกว่าเผื่อวันข้างหน้าถ้าเกิดเราขาดรายได้ขึ้นมา เราก็จะได้มีเงินสำรองนี้มาใช้จ่ายต่อไปได้แล้วการใช้จ่ายนี้มันจะติดเป็นนิสัยไปด้วยนะถ้าใช้จ่ายของฟุ่มเฟือยของแพงๆมันก็จะติดนิสัยจะลดไม่ได้ลดยากเ ว, าเวลาลดค่าใช้จ่ายลงนี้จะรู้สึกอึดอัดขึ้นมา ท, าทันทีไม่มีความสุขแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าใช้จ่ายแบบมัธยัสประหยัดมัธยัสนี้มันก็จะติดเป็นนิสัยไป มันจะไม่ชอบใช้ขอ ง, งฟุ่มเฟอยใช้ของแพงๆเพราะมันรู้ว่ามันไม่มีความแตกต่างกันในการดํารงชีพชีวิตก็ยังอยู่ได้อย่างสุขอย่างสบายอันนี้ยกตัวอย่างให้ให้รู้จักการใช้จ่ายที่จะทำให้ไม่เกิดโทษแต่จะทําให้เกิดความสุขกับผู้ใช้จ่ายใช้อย่างประหยัดใช้เท่าที่จําเป็นตามหลักที่พระเจ้าทรงสอน ให้ใช้แบบมากน้อยสันโดษให้ใช้น้อยๆใช้เท่าที่จำเป็นถึงแม้จะมีมากก็ใช้น้อยเพื่อจะเก็บส่วนที่มีมากไว้เก็บไว้ไว้ในวันข้างหน้าเพราะเราไม่รู้ว่าวันข้างหน้านี้เหตุการณ์จะเกิดขึ้นอย่างไรถ้าเรามีที่เก็บเงินเก็บทองสำมลองไว้พอเราไม่มีรายได้เราก็จะได้อาศัยเงินสำมลองที่เราเก็บเอาไว้ ใช้ต่อไปได้ไม่เดือดร้อนนี่คือการใช้เงินที่จะเกิดให้เกิดเกิดความสุขต้องใช้แบบนี้ด้วยการแบ่งเงินไว้สามส่วนด้วยกันส่วนแรกก็ใช้เพื่อร่างกายเลี้ยงดูร่างกายส่วนที่สองก็เอาเก็บสำรองไว้เผื่อวันข้างหน้าถ้า มีเหตุอะไรที่ทำให้มีรายได้หดหายไปเราก็จะได้อาศาัยเงินสำรองนี้เอามาใช้ต่อได้ชีวิตดำเนินต่อไปได้อย่างมีความสุขเหมือนกับไม่มีการสะดุดและส่วนที่สามก็ทำเพื่ออนาคตถ้าเรายังต้องกลับมาเกิดต่อไปเราก็เอาเงินฝากไว้ในธนาคารบุญการทำบุญนี้ไม่ได้เป็นการสูญเปล่า เป็นการเอาทรัพย์ไปฝากไว้ในธนาคารพอเรากลับมาเกิดพบหน้าชาติหน้าเงินที่เราฝากไว้มันก็จะมาต้อนรับเราทันทีไปเกิดในครอบครัวที่มีฐานะมีเงินมีทองหรือถ้าให้เกิดในครอบครัวที่มีฐานะมีเงินมีทองก็จะมีคนที่ใจบุญที่เอ็นดูเราเลี้ยงดูเราอันนี้เป็นสาเหตุของการที่เรา ได้ทําบุญกันอยู่เรื่อยๆนี่3 <Yeah. S 1> ามส่วนนี้จะแบ่งยังไงก็แล้วแต่บางคนก็อาจจะแบ่งไม่เท่ากันก็ได้อาจจะค่าใช้ใจ่ายของร่างกายอาจจะเอาน้อยที่สุดก็ได้แล้วเอาเก็บเงินเก็บไว้สัก2เท่าของเงินที่ใช้ใจ่ายกับร่างกายก็ได้แล้วอาจจะเอา3ามเท่าของเงินที่ใช้ใจ่ายกับร่างกายไปทําบุญก็ได้แล้วแต่เราจะแบ่งแล้วแต่ความเชื่อของเรา ถ้าเราเชื่อว่าพบหน้าชาติหน้ามีจริงแล้วเรายังต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อยู่ถ้าเราอยากจะสุขสบายในพพหน้าชาติหน้าก็ทำบุญให้มากๆไวอันนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องเป็นคนตัดสินใจเอาเองว่าจะลงทุนแบบไหนดีจะใช้เงินแบบไหนดีเพื่อให้เกิดความสุขเกิดคุณประโยชน์กับเราไม่เกิดโทษการใช้เงินแบบเกิดโทษนี้ใช้อย่างไร ก็ให้ใช้ไปกับอบายามุขต่างๆนี่ถ้าเราใช้เงินไปอบายามุขนี่เงินที่เรามีนี่มันจะหายไปอย่างรวดเร็วถ้าเราเอาไปใช้กับการดื่มสุรายาเมาไปเล่นการพนันไปเที่ยวเตรอันนี้แหละเป็นตัวที่จะดูดทรัพย์ต่างๆที่เรามีอยู่เพราะถ้าเราไปเสพอบายามุขแล้วเราจะเกิดความเกลียดคร้าขึ้นมาเราจะไม่อยากไปทำมาหากิน จะเอาเวลาไปให้กับการเล่นการพ น, นันกับการดื่มสุรายามเมากับการเที่ยวเที่ยวชนิดต่างๆเที่ยวกลางคืนเที่ยวอะไรเที่ยวตามบามตามผับหรืออะไรต่างๆเหล่านี้การใช้เงินแบบนี้มีแต่หมดไม่มีรายได้เข้ามาแล้วใช้แล้วก็ติดด้วย ใช้แล้วก็ต้องใช้อยู่เรื่อยๆวันไหนไม่ได้ใช้ไม่ได้วันไหนไม่ได้ดื่มสุราวันไหนไม่ได้เล่นการพ น, นันวันไหนไม่ได้เทีย่ยวจะรู้สึกมึนเหงียดใจไม่มีความสุขนี่คืออันตรายของการใช้เงินที่เกิดโทษมีเงินเท่าไหร่ก็หมดได้ร่ดรวยขนาดไหนเห็นบางคนมีรับมรดกจากพ่อแม่ ท, ทิ้งไว้ให้ พอมพ่อแม่ตายไปไม่กี่ปีเงินที่พ่อแม่ทิ้งไว้ก็หมดก็มีเพราะมีแต่ใช้ไม่รู้จักเก็บไม่รู้จักหามไม่เอาไปลงทุนไม่ไม่เอาไปสร้างเพิ่มเติมให้มันพอกูนขึ้นมาเอาแต่ใช้อย่างเดียวการใช้แบบนี้ถึงแม้จะมีความสุขแต่มันก็มีโทษตามมาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้เงินใช้ทองที่จะให้ความสุขกับเรา อย่าใช้กับของฟุ่มเฟือยของแพงๆไม่จําเป็นอาจจะมีบ้างบางชิ้นบางอันก็พอนาฬิกาสักเรือนนึงก็พอแพงๆหน่อยเสื้อผ้าชุดแพงๆสักชุดสองชุดไว้ไปโชว์เขาไปอวดเขาอแต่ไม่ต้องมีเป็นสิบชุดร้อยชุดเพราเวลาใส่ก็ใส่ทีละชุดเท่านั้นแหละไม่ได้ไปใส่ทีร้อยชุดที่ไหนบางคนมีรองเท้าเป็นร้อยคู่มีเป็นทำไมั้งร้อยคู่ เวลาใส่ก็ใส่ได้คู่เดียวแล้วเขาก็ไม่มีใครเ็ารู้ว่าเรามีกี่คู่แต่ความความติดพันเวลาซื้ออะไรมันติดมันชอบมันติดใจแล้วมันจะต้องคอยซื้ออยู่เรื่อยเห็นของใหม่ๆของสวยๆงามๆก็อยากจะได้มีเงินมีทองก็จ่ายทันทีรูดบัตรทันทีแล้วมาดูที่เส้นเดือยโอ้ตายเงินเกือบหมดแล้ว บางคนเงินไม่พอใช้ก็มีทีนี้พอเงินไม่พอใช้ก็ไปสร้างปัญหาข้อที่สือเหตุของการมีความสุขคือข้อที่สามก็คือการไม่มีหนี้สินการที่เราจะไม่มีหนี้สินได้ก็เราต้องรู้จักรู้จักการทำบัญชีรายรับรายจ่ายเราต้องรู้ว่ารายได้เราเท่าไหร่รายจ่ายเราเท่าไหร่ เราต้องคอยควบคุมรายจ่ายของเราไม่ให้เกินมากกว่ารายรับถ้าเราปล่อยให้ใช้ใจ่ายแบบฟุ่มเฟือยแบบไม่จำเป็นนี่เดี๋ยวรายจ่ายมันจะมากกว่ารายรับพอไม่พอพอรายรายจ่ายมากกว่ารายรับเงินก็ไม่พอใช้สภาพคล่องก็หยุดชงักก็ต้องไปเสริมสภาพคล่องด้วยการไปกู้หนี้ยืมสิน นี่กู้นี่ยืมสินมันก็มีดอกเบีย้ยที่ต้องจ่ายแล้วในเมื่อเรารายรับของเราไม่เพิ่มแต่เราไม่ยอมลดรายจ่ายเราไปเราไปหารายได้มาด้วยการไปกู้หนี้ยืมสินเราก็เท่ากับเป็นการสร้างรายจ่ายเพิ่มขึ้นมาอีกเพราะเรากู้เงินเข้ามาเราก็ต้องจ่ายต้นด้วยแล้วก็จ่ายดอกด้วยทีนี้ยิ่งเป็นปัญหาใหญ่เลยเพราะจะไม่มีวันที่จะสามารถหารายได้มา ใช้จะมาใช้กับค่าใช้จ่ายต่างๆเหล่านี้ได้ที่สุดก็เนี่ยบางทีก็อาจจะต้องไปไปปรับสภาพคล่องด้วยการไปทำบาปบางคนก็ไปจี้ร้านทองไปป้นไปจี้ไปฉ้อโกงยุคนี้มียุคหลอกลวงนาะยาสอยระวังไว้อย่างนี้เข้ามาทางมือถือเนี่ยโจรนนมันไม่ต้องมาหาเราที่บ้านหรอกมันเข้ามือถือเราเนี่ย อย่างแต้มมีอะไรมาข้อเสนอที่ดีๆให้เราสักหน่อยฮะกดปุ๊บไปเลยติดเลยโอนเงินเข้ามาเลยตอนนี้คุณจะได้เงินหมื่นหนึ่งแต่มีค่าใช้จ่ายสามพันโอนเงินเข้ามาห่อนสามพันแล้วจะโอนเงินหมื่นให้ทันทีพวกที่ไม่รู้อีหน่อยเนี่ยก็โอ๊ยคิดว่าตอนนี้อยู่ดีโชคคาลาบมาถึงรีบโอนเงินไปเลยสามพัน พอโอนไปปั๊บเ ง, เงินเหมือนที่บอกจะได้หายว่าไปกับตา่างเลยติดต่ อ, อไม่ได้แล้วหายไปเลยเคยติดต่ อ, อ ก, กันได้ก็ บ, บล็อกไว้เลย อ, อันนี้แหละเป็นยุคที่หลอกลวงกันเยอะเพราะพวกหลอกลวงนี้เขาก็เป็นพวกที่เขาใช้เงินมากของเงินเขาไม่พอใช้เขาก็เลยต้องหาวิธีทํางานทําการเงินเดือนแต่ละเดือนมันได้ไม่กี่ตัง แต่ใ้ใจ่ายเป็นหลายเท่าของรายรายรายรับมันก็ต้องหาวิธีม า, มาเพิ่มสภาพคล่องให้แล้ววิธีง่ายที่สุดก็คือวิธีชอบโกงหลอกลวงนี่สมัยนี้คนโง่เยอะคนโง่ที่ถูกหลอกลวงนี่เยอะมากมีข่าวแทบทุกวันเลยถูกลออถูกหลอกนั้นขอให้จําไว้นะถ้าใครเขาบอกจะให้เงินเราแต่เราต้องให้เงินเขาก่อนนี่แสดงว่าถูกหลอกแล้ว แต่เขาแน่จริงให้เงินเราก่อนสิแล้วเราก็จะให้เงินกลับคืนเข้าไปคุณโอนมาสี่หมื่นึแล้วเราจะโอนไปให้ค่าใช้จ่ายสามพันไม่ใช่โอนไปให้เขาก่อนแล้วเขาจะโอนมาให้เราก็ให้เขาหักไปเลยก็ได้อย่างงั้น <laughs> ใช่ไหมเอาคุณจะให้เราหมื่นหนึงค่าใช้จ่ายสามพันคุณก็หักไปสามพันเราแค่เจ็ดพันก็พ อ, อต้องระวังนเนี่ย เขาเรียกว่าอความโลภเขาจะเอาความโลภของเราเนี่ยมาเป็น mm. เป็นเหยื่อหลอกเราพอเราโลภเพราะว่าโอ้ยเราจะได้เงินนู่นไ ด, ได้ได้นู่นได้นี่เขาก็จะหลอกเราว่าต้องมีค่าใช้ใจ่ายนะเ mm. นี่เราก็เกิดบจถูกหลอกเนี่ยมีคนมาเสนอจะให้ที่สี่สิบไร่เนี่โอ้ไม่รู้จักกันมาก่อนอยู่ดีๆบอกจะถวายที่สี่สิบไร่หลอกแมวไม่พร้อมที่จะรับพอบอกเดี๋ยวว่า mm. เดี๋ยวบอก เดี๋ยวถ้าบอกว่าจะรับเดี๋ยวต้องมีเงื่อนไขขึ้นมานะต้องมีใช้ค่าใช้จ่ายขึ้นมานะตอนนี้ไปไปเอาเอานี่นี่ไปติดไว้ในธนาคารหรือเป็นนี่ใครช่วยไปถ่ายนี่ให้ก่อนถึงจะได้ที่โดนหลอกอันน่าจิงก็มาถวายเลยโยนมาเลยถ้าไม่มีค่าใช้จ่ายเรารับได้ <laughs> แต่ถ้ามีค่าใช้จ่ายเราไม่เอาา อยู่ดีๆมเป็นไม่ได้หรอคนเราไม่รู้จักกันมาก่อนอยดีๆก็จะมาขอถวายที่ให้ต้องสี่สิบไร่มันก็เป็นเรื่องของเป็นเรื่องของวิจฉาชีพแต่โลภป๊ถ้าอยากได้ปั๊บเดียวตับรับปั๊บก็ต้องขอความเมตตาหน่อยนะเพราะว่าที่ตอนนี้มันติดจำนองอยู่ยังยังโอนไม่ให้ไม่ได้ต้องไปถ่ายหนี้ให้ก่อน อย่าไปนะถ้าเราจะต้องควา้ากระเป๋าแล้วอยากไปรับเนี่ยเอาแบบบินทบานนี่ดีที่สุดไปบินทบานนี้ไม่ต้องควา้ากระเป๋าจ่ายให้โยมโยมก็ใส่มาให้อย่างนั้นเอาแบบนั้ น, นอันนี้เวลาที่เราจะรับอะไรจากใครนี้ต้องระมัดระวังว่ามีเงื่อนไขอะไรหรือเปล่าถ้ามีเงื่อนไขก็หยุดดีกว่าถอยดีกว่าแสดงว่าเขาไม่มีเจตนาที่ดี มีเจตนาที่ดีจริงเขาต้องให้ฟรีๆไม่มีเพื่อนไขไม่มีไม่มีการตอบแทนอะไรต่างๆเกิดขึ้นถ้ามีการขอขอตอบแทนนี่แสดงว่ามันเป็นอุบายแล้วมันเป็นวิธีหลอกลวงแต่ถ้าเรามีความโลภนี่บางทีก็ตาวาวลืมไม่หมดเลยเดินไปคิดถึงข้อเหล่านี้ขึ้นมาให้เขาหลอกเราแล้วก็มาเสียใจภายหลังโอนเงินไปไม่รู้กี่กี่ครั้ง คนไปจะลั่งหมดบัญชีก็มีนี่คือเรื่องของวิธีที่เราจะทําให้เราไม่เกิดหนี้นะเราก็ต้องรู้จักใช้เงินใช้ทองแบบประหยัดใช้เท่าที่จําเป็นแล้วก็ต้องมีส่วนเก็บด้วยเพราะเกิดเวลาที่เราตกงานหรือไม่มีรายรับเราก็ยังจะได้อาศัยเงินที่เราเก็บเอาไว้เอามาใช้ต่อได้ ไม่ต้องไปกู้นี่ยืมสินเพราไปกู้นี่ยืมสินนี่มันเขาก็คิดดอกแพงด้วยคิดดอกดอกมากกว่าต้นบางทีถ้าไม่จ่ายเขาไปสักพักในึงนี้ดอกเบี้ยมันจะมากกว่าต้นขึ้นไปเพราะนั้นอย่าไปมีหนี้วิธีที่ป้องกันไม่ให้มีหนี้ได้ก็ต้องรู้จักการใช้เงินใช้ทางแบบประหยัดมัธยัตให้รายได้นี้มันมากกว่ารายจ่าย แล้วก็ต้องมีรายเก็บด้วยรายได้ของเรานี้ก็ต้องมีแบ่งเก็บเอาไว้ด้วยเผื่ออนาคตข้างหน้าเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเหตุการณ์ข้างหน้าจะเป็นอย่างไรอาจจะมีอุปสรรคหลายอย่างร่างกายเราอาจจะไม่สบายขึ้นมาพิกลพิการขึ้นมามันมีอะไรเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้มากมายดัยงนั้นเราต้องไม่ประมาทต้องระมัดระวัง ถ้าเราไม่อยากที่จะมีเรื่องมีปัญหามีความทุกข์เดือดร้อนตามมาใช้ให้น้อยใช้เท่าที่จำเป็นเก็บให้มากเก็บไว้เถิดไม่ต้องกลัวเสียไม่ต้องกลัวว่าจะคนอื่นจะมาใช้หรอกใกล้ตายก็เอาไปทำบุญให้มันหมดเลยเป็นของเราหมดเลยไม่ต้องเก็บให้ลูกให้หลานหรอกให้มันหากินของมันเองเราเลี้ยงมันมาโตได้มันเรียยงให้มันอยู่หากินของมันไปเก็บไว้ให้นิดหน่อยก็พอ เพื่อจะดึงไว้ถ้าไม่มีเงินเลยมันก็มันจะไม่มาสนใจเลี้ยงดูเราตอนเราแก่แต่ถ้ามันรู้ว่าเรายังมีเงินอยู่ก็มาคอยเลี้ยงดูเผื่อหวังเม่อเราดกบ้างแต่ถ้าให้มันไปก่อนนึกกลัววันก่อนก็มีญาติโยมมาปรึกษาว่าเนีย่ยมีลูกกลัวลูกจะมาทะเลาะ ก, กันตอนที่ตายมาแย่งสมบัติกันว่าแบ่งสมบัติให้เขาไปเลย ด, ดีไหมบอกไม่ดีหรอกเก็บไว้ดีกว่าให้มันไปทะเลาะ ก, กันดีกว่า ดีกว่าให้มันไปหมดแล้วพอเราไม่มีเงินให้มันแล้วมันก็ทิ้งเราน่ะมันจะไม่มีใครดูแลเราแต่ถ้าเรายังมีเงินอยู่นี่มันก็ยัง ม, มันก็ยังต้องมาดูแลเราอยู่เพราะมันยังหวังยังหวังอยากจะได้สมบัติจากเราอยู่นั่นเองเฉะั้นอย่าไปอย่าไปให้สมบัติเข้าไปนะเราจะเสียใจนะมีหลายไลน์มีข่าวเรื่อยพอแม่ยกสมบัติให้ลูกหมดหวังว่าลูกจะได้มาเลี้ยงดูตัวเอง ที่ไหนได้ลูกมันก็ไปเลี้ยงดูลูกเมียมันเลยแล้วพ่อแม่ก็ปล่อยให้อยู่แบบอนาาถาไม่มีใครเลี้ยงดู mm hmm. เรื่องเองินเรื่องทองมันไม่เข้าใครออกใครนะโยมเชื่อไหมไม่มีพี่ไม่มีน้องไม่มีพ่อแม่ไม่มีลูกแม่แต่สามีภรรยามันยังไม่มีเลยไปแล้วนะถูกหวยกันมานี่เมียทิ้งสามีเลย เรืนระวังเรื่องเงินทองเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องระมัดระวังอย่าประมาทอย่าไปเชื่อใจใครอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจตายเนะี่ยเก็บไว้กับตัวเรานะดีที่สุดนะเ้าก็ค่อยถ้ามีความจำเป็นก็ให้เขาไปตามความสมควรนะแต่เราอย่าไปให้เขาหมดเพื่อคิดว่าหวังจะเอาชนะใจเขาแล้วเขาจะเลี้ยงดูเราไม่มีทางแล้วนะ ถ้าเขามีใจที่จะรักเราเราไม่มีอะไรให้เขาเขาก็จะมาดูแลเราเองไม่ต้องเอาเงินไปล่อเขาหรอกวิธีาอเงินล่อก็อย่าพึ่งไปให้เขาให้เขาคิดว่าเรามีเงินอย่างมีนิทานอยูอ่คุณยายหรือคุณคุณยายเขต้องคุณยายคนหนึ่งมียายก็เป็นคนคิดว่ามีทรัพย์เนี่ยแล้วกก็มีหีบใส่ทรัพย์อยู่หีบหนึ่ง แล้วก็แกใส่กุญแจไว้ไม่ให้ใครเปิดดูลูกหลานก็คิดว่าแกมีทรัพย์เยอะก็เลยมาเลี้ยงดูแกอย่างดีพอแกตายไปลูกหลานมาเปิดดูข้างในทรัพย์ไม่มีมีแต่ก้อนหินเราต้องฉลาดกว่าเขานะถ้าเราโง่ถ้าเราโงก่กับเขาเข า, เขาก็หลอกเรากินเรา น, นี้เรื่องของของความสุขของคารวะนะก็มีอยู่4ประการนี้ตัวหนึ่งการมีทรัพย์เนี่ยการได้ทรัพย์มาสองการใช้ทรัพย์เนี่ยต้องใช้ให้รู้จักใช้ให้เกิดคุณเกิดประโยชน์สามการไม่มีหนี้อย่าใช่อย่าใช้เงินเกินตัวต้องใช้เงินภายในกรอบของของร า, ายได้ของเราอย่าให้อย่าให้ติดลบบัญชีติดลบแล้วก็อย่า ทำมาหากินหรือทำอะไรที่ผิดกฎหมายผิดศีลผิดธรรมอเป็นอบายยมุกว่าการกระทำเหล่านี้มันจะเป็นโทษกับตัวเราทำผิดกฎหมายเดี๋ยวก็ต้องไปติดคุกติดตารางตายไปบาปที่ทำไว้ก็ยังไม่หมดต้องไปใช้บาปในอบายเพราะนั้นนี่คือความสุขของคารวนามีอยู่สี่ข้อด้วยกัน คือการมีทรัพย์หรือการได้รับทรัพย์มาสองการใช้ทรัพย์สาการไม่มีหนี้ศินสีการกระทาที่ไม่เกิดโทษไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมไม่เป็นไม่เป็นอบายมุขนี่คือวิธีของการอยู่อย่างมีความสุขของผู้คลองเรือนแต่ความสุขของผู้คลองเรือนมันก็เป็นความสุขที่มันไม่อิ่มไม่พอ มันก็มีเท่าไหร่มันก็ไม่อิ่มไม่พอก็มีความสุขอีกระดับหนึ่งที่จะให้ความอิ่มความพอเป็นความสุขที่จะยั่งยืนกว่าความสุขของผู้คลองเรือนความสุขของผู้คลองเรือนพอตายไปมันก็หมดทรัพย์สมบัติเจ้าของเงินทองที่มีอยู่มากน้อยก็ไม่สามารถที่จะให้ความสุขกับคนตายได้ต่อไปแต่ความสุขอีกระดับหนึ่งนี้ สามารถอยู่ต่อได้ไดหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วเนปะความสุขที่อยู่กับใจนะเียวเรียกว่าความสุขของผู้ผู้ของนักบวชนะของของบรรพชิตนะวิธีหาความสุขของบรรพชิตนี้ก็ต่างจากวิธีหาความสุขของของผู้ครองเรือนเพราะความสุขของบรรพชิตนี้ไม่จำเป็นจะต้องมีทรัพย์นะพวกที่ออกบวชนี้เขาสละทรัพย์ไปหมดนะ เราไม่ต้องการใช้ทรัพย์เป็นเครื่องให้ความสุขเพราะมันเป็นความสุขชั่วคราวช่วงในขณะที่มีทรัพย์อยู่เท่านั้นถ้าหมดทรัพย์เมื่อไหร่ความสุขก็จะหมดไปมาหาความสุขแบบที่ไม่ต้องใช้ทรัพย์ดีกว่าความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมตามที่พระเจ้าทรงสอนหรือให้ปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาถ้ามีศีลมีสมาธิมีปัญญา จะทำให้ใจนี้เกิดความสุขขึ้นในอีกแบบหนึ่งคือความสุขที่เกิดจากการความสงบของใจใจจะสงบได้ก็ต้องอาศัยการปฏิบัติศีลสมาธิและปัญญาศีลก็คือศีลแดขึ้นไปของต้องศีลของนักบวชอย่างน้นอยก็ต้องสือศีล8ศีล10หรือศีลสอีข้อเพราะศีลเหล่านี้จะ จะสนับสนุนในการเจริญสมาธิในการเจริญปัญญาในการที่จะทำให้จิตใจของเรามีความสงบมีความสุข <Yeah. S 1> การที่เราจะปฏิบัติสมาธิปัญญาได้เราต้องมีเวลาให้กับการปฏิบัติและการที่จะทําให้เรามีเวลาก็คือการมีศีลถือศีลแปดศีลของนักบวชนี่ พอเวลาถือศีลของนักบวชแล้วเราจะห้ามเราจะถูกห้ามไม่ให้เอาเวลาไปใช้กับการหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายศีลข้อสมก็ห้ามไม่ให้เราไปร่วมหลับนอนกับใครเอาเวลาที่ร่วมหลับนอนนั้นมามาเจริญสติมานั่งสมาธิมาทําใจให้สงบมาสร้างความสุขที่เกิดจากความ ส, มบสงบเนศีลข้อสามก็ต้องเปลี่ยนจากการมีุมิชฌาจารา มาเป็นอ布拉 ม, มาจาริยาเวรามาัมณีไม่ร่วมหลับนอนกับใครแม้จะเป็นคู่ครองของตนก็ตามก็ต้องละเว้นสำหรับคารวะที่ยังอยาก ท, ที่ที่เริ่มฝึกใหม่ๆก็สามารถฝึกหาความสุขแบบนักบวชได้ด้วยการถือศีลแปดในวันพระอย่างเช่นวันนี้วันนี้สมมติว่าบอกคู่ครองว่าวันนี้ถือศีลแปกันนะ เราไม่ร่วมหลับนอนกันนะจะ เ, เวลาไปอยู่วัดนะไปอยู่วัดกันถ้าคุณจะไปก็ไปได้แต่ไปอยู่วัดเขาก็จะแยกให้อยู่กันนะผู้หญิงก็อยู่ฝ่ายส่วนของผู้หญิงผู้ชายก็อยู่ส่วนของผู้ชายเพื่อที่จะได้เอาเวลามาสร้างสมาธิสร้างสติสร้างปัญญาสร้างความสงบให้กับใจอันนี้ต้องมีศีลก่อนศีลข้อสก็เปลี่ยนเป็นอ布拉มัจจลิยาแล้วก็เพิ่มศีลข้อห ไม่ให้หาความสุขจากการรับประทานอาหารให้รับประทานแบบรับประทานยาเพื่อเลี้ยงดูร่างกายซึ่งรับประทานไม่เกินเที่ยงวันก็พอหรือบางท่านก็อาจจะเอาแค่มื้อเดียวเลยก็มีรับประทานแค่มื้อเดียวบางท่านปฏิบัติก้าหน้ารีบางทีไม่กินเลยก็มีเพราะกินแนละ้วมันทำให้ขี้เกียจทำให้ง่วงนอนได้ก็เลย ไม่กินวันที่จะปฏิบัติธรรมนี่บางทีก็ไม่กินอดอาหารไปเลยเพราะนั้นมันจะทําให้ไม่ง่วงนอนไม่ทําให้ไม่เกลียดค้านแต่ต้องมีพลังจิตพอสมควรสาําหรับผู้ที่จะปฏิบัติแบบที่เข้มข้นได้แบที่ไม่รับประทานอาหารได้นี่ต้องมีความสามารถที่ควบคุมใจไม่ให้คิดไม่ให้หิวโหยไปกับอาหารได้มีสติมากพอที่จะระงับความคิดตรุงแต่ง ที่ไปคิดถึงเรื่องของอาหารได้มันก็เป็นมันก็เป็นเป็นอุบายของการทําให้ใจหยุดคิดไปในตัวเพราะเวลาไม่ได้กินข้าวมันก็จะคิดแต่เรื่องอาหารเนี่ยมันไม่คิดถึงเรื่องอื่นก่อนนะเรื่องอ่นเาไว้ทีหลังเรื่องแรกที่ต้องคอยคิดว่าอยากจะกินนู่นอยากจะกินนี่ขึ้นมาแล้วถ้ามีสติเราก็หยุดมันเป็นการอุบายทําให้เราเจริญสติทําสมาธิไปโดยอัตโนมัติเพราะถ้าเรา ถ้าเราไม่อดอาหารมีอาหารกินมันก็จะไม่คิดถึงอาหารมันก็จะไปคิดถึงเรื่องอื่นไปคิดถึงหนังละครนะ ฟ, ฟังเพลงอะไรไปเที่ยวอะไรต่างๆมันก็จะทำให้ควบคุมมันยากกว่าเพราะสติมีกำลังน้อยกว่าแล้วก็ความเกลียดค้างก็จะมีมากกว่ากินอีบอิม่มก็จะคิดถึงหาหมอนดีกว่านอนดีกว่าบางท่านนี้ก็เลย อดอาหารถ้าถ้าได้ปฏิบัติก้าหน้าพอสมควรแล้ว<ม>เวลาอดอาหารนี่จะรู้สึกว่าใจมีพลังมากขึ้นมีสติดีขึ้นสามารถควบคุมความคิดความอยากต่างๆได้ดีขึ้นแต่สำหรับผู้เริ่มต้นนี่ก็จะเริ่มต้นที่ไม่รับประทานอาหารหลังเที่ยงวันไปเอาแค่เที่ยงวันไปหลังเที่ยงวันแล้วเราจะได้ไม่ต้องมาคิดถึงเรื่องอาหารจะได้มาเอาเวลามาทาความสงบกัน กินก็กินอย่างมากก็สองมือ้อถ้าเป็นไปได้บางทีก็มื้อเดียวก็พอกินตอนเช้าเสร็ จ, จแล้วก็จบแล้วจากนั้นก็จะได้ไม่ต้องมากังวลกับเรื่องการรับประทานอาหารจะได้มีเวลาที่ว่างให้กับการปฏิบัติได้อย่างต่อเ น, นื่องจะรอดสติสมาธิปัญญาแล้วสี่ข้อที่เจ็ดก็คือให้เราไม่ให้ไปดูไปฟังพวกมหมอปรสบบันเทิงต่าง ไม่ให้ไปงานเลี้ยงต่างๆวันนี้มีงานวันเกิดงานฉลองวันเกิดก็ไม่ไปงานอะไรก็ไม่ไปเพราะเราไม่ต้องการที่จะไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสทางตาหูจมูกลิ้นกายเราต้องการที่จะไปปลีกวิเวกไปอยู่วัดไปหาที่สงบเพื่อมาสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญาเพื่อทําใจให้สงบนั่นเองนี่ก็คือศีนข้อ 7. เจ็ดสีลข้อแปดก็คือ ไม่ให้เรานอนมากเกินไปวิธีนอนไม่มากก็คือต้องไม่นอนบนที่นอนที่มันสบายที่สำราญที่นอนสบายนี่สังเกตุเวลาโฆษณาที่นอนก็บอกนอนเตียงนี้น่าจะนอนหลับสบายอันนี้กลับเป็นทางกลับเป็นพิษเป็นภัยกับผู้ปฏิบัติเพราะมันจะทำให้นอนมากเกินไปเสียเวลาอันมีค่าให้กับการปฏิบัติไปให้นอนบนเตียงที่ไม่สบายหรือนอนบนพื้นแข็ง ตาเตียงก็ต้องเป็นเตียงที่ไม่มีฟูกนี้มีแต่ไม้หลายทํานองนี้ปูด้วยผ้าด้วยเสือ่อถ้านอนแบบที่ไม่สบายนี้พอร่างกายมันได้พักผ่อนพอแล้วมันตื่นขึ้นมามันก็ไม่อยากจะนอนต่อใจก็จะไม่อยากจะนอนต่อใจก็จะรีบลุกขึ้นมานั่งสมาธิเดินจงกรมหาความสุขจากควา ม, วามสงบดีกว่าเพอาความสุขที่ได้จากความสงบนี้ชนะความสุขของการกินการ การเดินการเที่ยวการดูการฟังการหลับการนอนเอาเวลาทั้งหมดนี้มาให้กับการสร้างความสงบให้ได้นี่คือหน้าที่ของศีลแปดขึ้นแปดศีลแปดศีลสิบศีลสองร้อยยนี่เหมือนกันมีมีข้อละเอียดรายละเอียดมากน้อยต่างกันแต่โดยหลักก็เพื่อที่จะให้เรายุติการไปหาความสุขจากเรื่องอื่นจากสิ่งต่าง ให้เรามาหาความสุขจากการทำใจให้สงบเพียงอย่างเดียวพอเราถือศีลแปดได้แล้วเราก็ต้องไปหาที่ที่มันไม่มีใครมาบรบกวนเราด้วยถ้าไปอยู่ที่ที่ยังมีคนมายุ่งกับเราอยู่ต้องไปทำงานทำการนี้ถือศีล8ปไปไม่ค่อยเกิดประโยชน์เพราะว่าเราจะไม่สามารถฝึกสมาธิได้นั่นเองการถือศีลแปนี้เพื่อให้เรามีเวลาได้ไปฝึกสมาธิถ้าเรามีเวลาแล้วเราก็ต้องมีที่ด้วย นอกจากเวลาแล้วก็ต้องมีสถานที่ที่จะทําให้เราได้ฝึกสมาธิกันได้ได้เ จ, จเริญสติกันสถานที่ที่เหมาะสมต่อการเจริญสติสมาธิก็คือที่สงบสงดัดที่ที่ห่างไกลจากแสงสีเสียงต่างๆห่างไกลจากบุคคลต่างๆไม่เกี่ยวข้องกับใครไม่สังคมไม่คลุกขีกับใครอยู่ตามลาพังแล้วก็จะได้มี มีโอกาสที่จ ะ, จะเจริญสติควบคุมความคิดได้ง่ายกว่าเพราะถ้าเราอยู่ใกล้ใครเดี๋ยวก็ต้องทักทายกันคุยกันพอคุยกันจดก็ต้องคิดปรุงแต่งพอคิดแล้วมันไม่หยุดคุยกันแล้วมันไม่พอบางทีคุยกันเพอทักทายตอนน้อยแค่คำสองคาที่ไหนได้กว่าจะเสร็จชั่วโมงผ่านไปก็ยังมีเรื่องคุยกันอยู่นั้นดังนั้นถ้าต้องการที่จะไปหาความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ จำเป็นที่จะต้องอต้องไปปลีกไม้เวกอยู่คนเดียวอยู่ห่างไกลจากสิ่งที่จะมายั่วยวนกวนใจแสงสีเสียงต่างๆรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆอันนี้เป็นสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องทํากันถ้าเราอยากจะได้ความสุขแบบของของนักบวชที่เป็นความสุขที่ดีกว่าที่มีความยั่งยืนกว่าที่จะติดไปกับใจของเราหลังจากที่เราตาย เราต้องถือศีลแปดขึ้นไปแล้วก็ต้องมีสถานที่ที่สงบสงัดวิเวกไปหาที่ไปหาวัดที่มีการปฏิบัติกันวัดที่มีการปฏิบัติเขาจะจัดที่ให้พักกันอยู่แยกกันอยู่ไม่ให้เจอกันเจอกันเฉพาะช่วงที่ต้องมาทำกิจร่วมกันเช่นตอนมารับประทานอาหารหรือมาฟังเทศฟังธรรมนั้นเองนอกจากนั้นก็ให้แยกกันไปอยู่ที่ของของตน แล้วก็ไปเจริญสติไปคอยหยุดความคิดอย่าปล่อยให้ใจคิดเรื่อยเปื่อยวิธีที่จะไม่คิดก็ต้องมีเรื่องให้มันทําให้มันคิดอยู่กับคําว่าพุทโธพุทโธอย่างเดียวอย่าไปคิดถึงคนนั้นคนนี้คิดถึงอาหารคิดถึงเครื่องดื่มคิดถึงขนมคิดถึงอะไรถ้าคิดได้มันเกิดความอยากขึ้นมาแล้วเดี๋ยวมันจะทนอยู่ไม่ได้เดี๋ยวอยากจะกลับบ้านคิดถึงบ้านขึ้นมาทันทีเพราะของต่างๆมันอยู่ที่บ้านหมดเนี่ย แต่พอเรามาอยู่ที่วัดนี้ไม่มีอะไรให้เราดูให้เราฟังไม่มีอะไรให้เรากินให้เราดื่มมีแต่ให้เราควบคุมความคิดให้เราหยุดความคิดเราก็ต้องใช้วิธีการไม่ให้มันไปคิดเรื่องราวเหล่านี้ด้วยการให้มันคิดถึงเรื่องคําว่าพุโทโธพุโทโธไปบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปหรือสวดมนต์ไปก็ได้สวดมนต์สวดมนต์ไปส่วน น, วนา น, านๆยาวๆบทไม่ต้องยาวก็ได้เอาบทที่เราจําได้ไม่ต้องเปิดหนังสือ เรามันยุ่งยากเราไม่ต้องการดูหนังสือเราต้องการเอาสิ่งที่เราจำได้มาใช้เพื่อที่จะหยุดความคิดของเราสวนท่องบทสั้นๆเช่นอิติปิโสก็ได้แต่ท่องหลายๆรอบท่องไปเรื่อยๆเพื่อไม่ให้มันคิดเอาใจรู้สึกเบาเย็นสบายไม่คิดเราก็หยุดคิดเราก็หยุดสวดได้แล้วอันนี้หมายถึงให้ทำตอนที่เรายังไม่ได้นั่งนะ เราต้องทำทั้งวันเลยทาตั้ง แ, แต่ลืมตาขึ้นมาสวดไปพุโทโธไปไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามอาบน้ำล้างหนะ้าแปรงฟันรับประทานอาหารแต่งเนื้อแต่งตัวหรืออะไรนี้เราก็ให้มีการท่องอยู่ในใจอยู่เรื่อยๆพุโทโธก็ได้ปีเตโซก็ได้ถ้าเราทำอย่างนี้ได้พอเวลาที่เราไม่ต้องทำอะไรเราก็มานั่งสมาธิมานั่งหลับตาแล้วก็ท่องพุโทโธพุโทโธต่อเดี๋ยวใจก็จะนิ่งสงบ เข้าสู่ความสงบ พ, พบกับความสุขที่เลิศที่ประเสริฐกว่าความสุขทั้งปวงอันนี้แหละเป็นสิ่งที่เราต้องการคือความสงบความสุขที่เกิดจากความสงบเพราะเป็นความสุขที่จะพาที่จะอยู่กับเราไปติดไปกับใจเราให้ความสุขกับเราตลอดเวลาโดยที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องมีอะไรแม้แต่ร่างกายต่อไปเราก็ไม่ต้องมีเหมือเราก็จะอยู่ได้มีความสุขได้นับภาษาอะไรกับเรื่องเงินทองต่างต่า เงินทองเอ่ยของต่างๆที่เคยให้ความสุขกับเรานี้จะหมดความหมายไปถ้าเราได้พบกับความสุขที่เกิดจากความสงบความสุขที่เกิดจากความสงบนี้มันเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงแล้วก็อยู่คู่กับใจของเรามันจะไม่จากเราไปไม่มีใครมาภากความสุขอันนี้ไปจากใจของเราได้ไม่มีใครมาขโมยไปได้ไม่เหมือนกับทรัพย์สมบัติเงินทองนี้ เผลอๆก็ถูกหลอกไปได้ถูกข้าโมยไปได้แต่ความสุขที่ได้จากความสงบนี้ไม่มีใครจะมาเอาจากเราไปได้แต่ในเบื้องต้นนี้ความสุขที่เราได้จากความสงบนี้มันจะเป็นแบบชั่วคราวพออยู่ในสมาธิก็สงบ พ, พอจากสมาธิมามันก็หายไปพอเราเริ่มคิดคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้แล้วก็เกิดความอยากขึ้นมาดังนั้นขั้นที่ขั้นที่สองที่จะทําให้ความสุขที่ได้จากความสงบจากสมาธินี้ไม่หายไป วเวลาเอาจากสมาธิมาก็ต้องใช้ปัญญาคอยสกัดความอยากเพราะตัวความอยากนี่มาเป็นตัวทําลายความสงบเรามีความอยากแล้วใจมันจะกระตือรือร้นขึ้นมาอมันจะมีความเริ่มกระสับกระสายขึ้นมาอยาก ไ, ได้นู่นอยากได้นี่มันก็เริ่มกังวลแล้วจะได้หรือเปล่าได้เมื่อไหร่แล้วพอไม่ได้ก็เสียใจกลายเป็นความทุกข์ใจขึ้นมาก็ต้องใช้ปัญญามาสอนใจให้เห็นว่าสิ่งต่างๆที่เราอยากได้มัน มันเป็นความสุขตอนต้นได้มาก็สุขแต่เดี๋ยวพอมันหมดไปมันเปลี่ยนไปมันก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาในที่สุดมันต้องหมดมันต้องจากเราไปเพราะมันเป็นของไม่เที่ยงมันของชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องหมดไปพอหมดแล้วความสุขที่ได้มาก็หายไปความทุกข์ก็เข้ามาแทนที่ให้มอาให้เห็นว่ามันไม่เที่ยงเห็นว่ามันเป็น อนัตตาไม่ได้เป็นของเราเราไม่สามารถควบคุมบังคับให้มันอยู่กับเราให้มันให้ความสุขกับเราได้ตลอดเวลาเวลามันจะเปลี่ยนมันก็เปลี่ยนแารที่จะให้ความสุขกับเรามันก็ทุกข์กับเราได้คนที่คอยชมเราอยู่ดีๆเขาก็ด่าเราก็ได้เราไปควบคุมบังคับก็ไม่ได้งั้นอย่าไปหวังอะไรจากใครอย่าไปหาความสุขจากใครแม้แต่แม้แต่สิ่งของก็เหมือนกันสิ่งของหรือคนนี่ก็เป็นของไม่เที่ยงเั้านั้น เป็นของที่เราห้ามมันไม่ได้ควบคุมบังคับมันไม่ได้เวลาที่มันจะเปลี่ยนจากดีกลายเป็นไม่ดีเราก็ห้ามมันไม่ได้ัน้นถ้าเราเห็นอย่างนี้ว่าทุกอย่างเป็นทุกข์เราก็อย่าได้ไม่ไปหามันเพื่อกลับไปหาความสุขจากความสงบดีกว่าอยู่กับความไม่มีความอยากก็เกิดความสุขขึ้นมาแล้วพอความอยากหายไปความสุขที่ได้จากสมาธิก็กลับขึ้นมา ท, าทันทีนี่คือวิธีการหาความสุข อีกแบบหนึ่งที่ผู้เจ้าทรงเป็นผู้ได้ค้นพบเดี่้มาสั่งสอนพระพุทธเจ้าตอ น, ต, น, ต, นต้นก็หาความสุขจากเงินทองยอยู่ในวังมา29ปีแล้วในที่สุดก็เห็นว่าความสุขแบบนี้มันมันไม่แน่นอนมันต้องมีความทุกข์ตามมาอย่างแน่นอนก็เลยไปหาวิธีใหม่หาความสุขแบบนักบวชหลังจากศึกษาปฏิบัติอยู่6ปีก็ได้คบพบกับความสุข ที่แท้จริงที่ถาวรที่มีอยู่ในใจของพระองค์เรียกว่าพระนิพพานความสุขจากพระนิพพานมัลลมัสมุกมีบานังปะลมังสุขขังเพราะว่าใจมีปัญญากําจัดความความโลภความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปได้พอไม่มีความโลภความอยากมันก็ไม่มีอะไรมาทําลายความสงบได้ใจก็จะสงบมีความสุขไปตลอดเวลาใจที่มีความสุขตลอดเวลาก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องกลับมาเกิดอีกแล้ว เพราะว่าไม่ไม่ต้องการหาความสุขจากจากร่างกายจากตาหูจมูกนิ้วกายก็จะไม่มีการกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปนี่คือความสุขของของบรรพชิตหรือของนักบวชเป็นความสุขที่เลื่อเก่าความสุขของผู้ครองเรือนแต่เป็นความสุขที่ยากกว่าแต่ก็ไม่ส์ไม่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่สุดวิสัยผู้ครองเรือนก็สามารถเปลี่ยนได้อาจจะเปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยนเริ่มต้นที่วันพระอย่างวันนี้ลองมา หาความสุขแบบนักบวช ด, ดูแล้วต่อไปเราอาจจะเพิ่มเป็นสองวันสามวันเพราะเมื่อเราทําแล้วเราจะได้สัมผัสกับผลเราจะรู้สึกว่ามีความสุขมากขึ้นดีกว่าความสุขที่ได้จากการมีเงินมีทองต่อไปเราก็จะเปลี่ยนมาหาความสุขแบบนักบวชได้นี่คือเรื่องของความสุขสองชนิดที่เรามนุษย์สามารถหากันได้ที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา อยาขออนุโมทนาให้พ่อนอยัตถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสักหลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานาังอุ ป, ปกัปติอิชิตังปะชิตังตุมหังคิปเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกะปาจันโทปนะระโสยัตถ า, ามานิจติ ระโสยะธาสพิติโยวิวัจฉันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตารโยสุขีทิขายุโกภวอภิวัตนสีลิสานิจังวุฒาปจายโนจตารุธรมาวัฏันเตอายุวันโอสุขัง อลช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคําถามใครมีคําถามอะไรอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เป็นช่วงเดียวที่เราจะสะดวกที่จะถามตอบคําถามกันถ้าอยากจะถามเองก็เข้ามาที่ข้างหน้านี้จะมีไมโครโฟนให้ท่านได้พูด หรือถ้าอยากจะเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้าขมาก็ได้หรือถ้ามีมือถือจะส่งข้อความเข้าขมาในทางเพจหรือทาง youtube ก็ได้เหมือนกันวันนี้มีผู้ติดตามทางบ้านทั้งหมดเท่าไหร่กลาบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้ผู้รับชมทาง facebook พระอาจารย์มีทั้งหมดห้ารอยยี่สิบสองท่าน YouTube พระอาจารย์สุชาติ282ท่านทางด็อกเตอร์วีชาแนลเจท่านวิดีโอออนไลน์เจ็ดท่านครับเฮาสิบห้าท่านหน้ากุติ57ท่านรวมเป็นทั้งหมด954ท่านเจ้าค่ะถ้ามีคำถามก็อ่านได้เลยมีคำถามจาก YouTube จากคุณ นิติกรกราบสอบถามพระอาจารย์เจ้าคะ่ะแฟนให้เงินใช้ทั้งหมดแล้วเราเอาเงินบางส่วนนั้นไปทำบุญแฟนจะได้บุญด้วยไหมคะแฟนเขาได้ตั้งแต่ตอนที่เขาให้เราแล้วนะการให้เงินทองกับใครนี้ไม่ว่าจะเป็นพระก็ได้เป็นศาสนาเป็นโรงเรียนเป็นอะไรคนให้นั้นได้บุญแล้วส่วนคนรับนี้จะเอาไปต่อบบุญของตนเองก็ได้ ไม่่เกกียวับคนให้คำถามจากคุณนันทิยาแข่นอกกราบหลวงพ่อคะ่ะอยากไปปฏิบัติไปได้ตลอดไหมคะก็แล้วแต่ที่ที่เราไปปฏิบัติว่าเขาให้เราอยู่ตลอดหรือไม่แล้วเราอยู่ได้หรือไม่บางทีอาจจะไปอยู่ตลอดพอไปเจอกิเลสถูกกิเลสไล่กลับบ้านก็มี <c oughs> ยังไงก็อย่าไปกัวงวลว่าตลอดหรือไม่ตลอดนะ หายไปให้ได้ก่อนนะ <c oughs> ไปแล้วก็ไปอยู่ไปเรื่อยๆถ้าปฏิบัติเก้าหน้ามันก็อยู่ไปได้เรื่อยๆถ้ามันไม่เก้าหน้าเดี๋ยวถูกกิเลสมันรุมแล้วมันก็สู้ไม่ไหวก็ถอยกลับบ้านกันก็มีงั้นก็ไม่ต้องกังวลเรื่องตลอดหรือไม่ตลอดเพราะมันเป็นเรื่องของอนาคตนะขอให้ทำให้ปัจจุบันของเราให้ดีให้เรามีความสุขก็แล้วกัน ถ้าเรามีความสุขในปัจจุบันมันก็จะสุขไปทุกทุกวันแล้วเราก็จะอยู่ได้ตลอดไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ได้คำถามจาก facebook จากคุณเจวันชุยการบรรลุธรรมเป็นเรื่องยากมากใช่ไหมเจ้าค่ะการอะไรนะการบรรลุธรรมเป็นเรื่องยากมากใช่ไหมเจ้าคะก็มันมีคนสี่ชนิดนะที่บรรยุันรู้ได้ง่ายได้เร็ว หรือยากหรือช้าเนี่ยมันมีอยู่สี่ชนิดละหนึ่งก็คือบรรลุได้ง่ายได้เร็วนที่พวกที่สองบรรลุได้ง่ายแต่ช้าแต่ช้าหน่อยพวกที่สามบรรลุได้เร็วแต่ยากแล้วพวกที่สี่บรรลได้เร็วบรรลุได้เร็ ว, รรวแต่ง่ายมันมีอยู่สี่ชนิดด้วยกันแล้วแต่บารมีของแต่ละคนที่ได้สะสมมา ภาษะสมอะไราม า, ม า, ม, ามากน้อยเพียงไรตัวบารมีนี้จะเป็นตัวที่จะตัดสินว่าเราจะปฏิบัติง่ายหรื อ, อยากช้าหรือเร็วคำถามจากคุณแดงสิงโตทองวันที่ยี่สิบเกจะไปปฏิบัติถึงสองมกราคมก่อนไปควรวางใจอย่างไรบ้านเจ้าขา ก็วังใจะให้มีสติให้มีสติตลอดเวลาไม่ว่าจะขอนไปหลังไปหรือักขณะอยู่สตินี้เป็นธรรมที่สำคัญที่จะพาให้เราได้ก้าวหน้าจเจริญในธรรมขั้นต่างๆได้ต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาให้ใจอยู่ในปัจจุบันอย่าไปคิดถึงอนาคตอย่าไปคิดถึงวันที่ยี่เก้มันยังยาวอะยังมาไม่ถึงตอนนี้คิดแต่วันนี้ก็แล้วกันวันนี้ทาใจเราให้ว่างให้สงบให้ได้ ไม่งั้นเดี๋ยวพอไปถึงพอคิดถึงวันที่ยี่บเก้าพอไปถึงวันที่ยี่บเก้าคิดถึงวันกลับมันไม่ได้ทาอะไรไมันนั่งคิดอยู่แต่อนาคตอยู่เลยให้อยู่ในปัจจุบันให้ทําปัจจุบันให้ใจสงบให้นื่งแล้วอยู่ที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ที่ไหนไม่สําคัญสําคัญที่ใจนะพยายามที่ใจที่ไม่คิดปรุงแต่งไม่ไปอดีตไม่ไปอนาคตให้อยู่ในปัจจุบันด้วยสติพุทโธพุทโธไป คำถามต่อไปจากคุณนิภากรบเรียนถามค่ะเวลาให้เงินรายเดือนกับคุณพ่อบางเดือนท่านก็ให้พรบางเดือนท่านลืมให้พรแค่ยิ้มยิ้มถือว่าได้บุญเท่ากันไหมคะถ้าจำนวนเงินที่ให้ท่านเท่ากันเจ้าค่ะเท่ากันมันไม่ได้อยู่ที่พรนะบุญเกิดจากการให้ของเราเป็นพอเราให้ปั๊บเราก็ ได้ได้บุญแล้วเขาจะดา่าเราเราก็ยังได้บุญอยู่มันไม่เกี่ยวกันไม่อยู่ที่เขาบางทีเขาบ่นว่าทำไมให้น้อยเหลือเกินอันนี้ไม่ไม่ได้ทําให้บุญที่เราให้เราให้เขาน้อยไปหายไปบุญยึดเกิดจากการกระทําของเราส่วนคนอื่นเขาจะให้พรหรือว่าอย่างยางญาติโยมมาทําบุญแล้วพักสวดให้พรนี้ก็เป็นเพียงแต่แสดงความยินดีเท่านั้นเองไม่ได้ไปเพิ่มบุญของเราให้มากหรื อ, รอน้อยขึ้นแต่อย่างใด เพให้กำลังใจว่าโยมทำบุญอย่างนี้ดีนะจะเจริญก้าวหน้าด้วยอายุวันนัสุขะพะละอะไรตัเองแต่ไม่ได้เป็นการเสกให้โยมเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองนะสิ่งที่จะเสกให้โยมเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองก็คือการให้การทำบุญของโยมเองคำถามต่อไปจากคุณปิยมาศ ถ, ถ้าเราใส่บาตรแล้วไม่ได้กรวดน้ำเราจะได้บุญไหมคะและคนที่ร่วงรับไปแล้วเขาจะได้รับไหมคะ การที่จะให้คนที่ร่วงลับแล้วได้บุญเราต้องอุทิศเขาด้วยการระลึกภายในใจเช่นพอเราทําบุญเสร็จก็ระลึกในใจได้เลยว่าขออุทิศ ส, ส่วนบุญนี้ให้กับผู้นั้นผู้นี้ที่ร่วงลับไปแล้วเขาก็จะได้รับไม่ต้องใช้น้ําน้ําไม่สําคัญไม่จําเป็นแต่ถ้าเขามีน้ําให้เราเทเราก็เทไปตามประเพณีตามธรรมเนียมไม่ไปขัดกับธรรมเนียมของเขาแต่ถ้าไม่มีน้ําไม่จําเป็นต้องตองใช้น้ํา บนอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ในน้ำนัเราต้องอุทิศด้วยใจของเราด้วยคำนึกคิดของเราเราต้องคิดถึงคนที่เราต้องการให้เขาถ้าเราไม่คิดมันก็เหมือนกับเขียนเช็คแล้วไม่ใส่ชื่อของเ ข, เขาเขาไปรับไม่ได้ถ้าไปใส่ชื่อของคนอื่นนี่คำถามต่อไปจากคุณกลางสร้างกราปนมัสการพระอาจารย์ขออนุญาตถามข้อธรรมค่ะ หนูพาพานักงานไปเลี้ยงข้าวเพื่อขอบคุณที่พวกเขาทำงานหนักมาตลอดทั้งปีโดยเอาของใช้ต่างๆเช่นกระเป๋ารองเท้าที่ยังไม่เคยใช้งานเลย รวมทั้งเงินใส่ซองเล็กๆให้พวกเขาค่ะเพื่อทดลองและฝึกความไม่ตรณีทีเหนียวและกิเลสแต่มาแพ้ตรงที่รู้สึกเสียดายเงินที่จ่ายค่าอาหารไปเพอเอินไปนึกถึงว่าถ้าเอาเงินมาทำบุญจะได้ประโยชน์และมีความสุขกว่าในส่วนนี้ถือว่ายังอยู่ในความตรนีหรือไม่คะก็อยู่ในการความเข้าใจผิดคนะือบุญเกิจากการที่เราไปทากับพระขับวัดเนั้นเอง แต่การที่เราให้คนงานคนที่ร่วม ง, งานกับเราถ้าไม่ได้เป็นส่วนของเงินเดือนเขามันก็เป็นบุญถ้าเป็นส่วนเกินเป็นของแถมอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นบุญเหมือนกันทากับใครก็ได้ก็จะได้บุญให้ดูที่ใจเราเวลาเราทำบุญแล้วใจเราเกิดความสุขขึ้นมาอันนั้นนะคือเราได้บุญแล้วคำถามต่อไปจากคุณนักรบกองทัพรรมถามครับถ้าไม่มีสมาธิ จะติดเจริญมิปสนาได้หรือไม่จ ะ, จะเจริญแบบไม่มีกำลังเหมือนคนที่ไม่กินข้าวแล้วไปทำงานจะไม่มีกำลังทำงานดีเท่ากับคนที่กินข้าวได้พักผ่อนหลับนอนสมาธินี้เป็นที่พักผ่อนหลับนอนเป็นอาหารที่เติมอาหารให้กับใจถ้าใจไม่มีสมาธิใจจะหิวโหวยกับอารมณ์ต่างๆไม่มีกจิตกจัยที่จะทางานทางด้านปัญญา แต่ถ้าทำให้ใจอิ่มด้วยสมาธิได้พักผ่อนมีกำลังใจก็จะไม่หิวโหวยกับเรื่องของอารมณ์ต่างๆก็สามารถที่จะให้ใจมาทำงานทางด้านปัญญาได้พิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาได้พิจารณาสุภาได้คำถามต่อไปกราบเรียนถามค่ะถ้าหากเราฝึกสติท่องพุโทโธในใจชอบเผลอ บ่อยๆเราสามารถฝึกโดยใช้เขียนลงสมุดเป็นคำว่าพุโทโธช่วยได้อีกแรงได้ไหมคะไม่ได้แหละมันไม่ดเีเพราะไม่สะดวกที่จะนั่งเขียนเพราะเราต้องการฝึกพุโทโธตลอดเวลาไม่ว่าเราทําอะไรเราต้องมีพุโทโธอยู่ในใจไปเรื่อยๆถ้า ง, งานที่เราทําไม่ต้องใช้ความคิดถ้ามัวนั่งเขียนแล้วก็ทำ ง, งานอย่างอื่นไม่ได้เราต้องฝึกขาดท่องไปในใจไม่เป็นไรใหม่ๆก็ถือเรื่องเป็นธรรมดา ทีเรา <c oughs> ใจเราไม่เคยตั้งมั่นมันก็จะชอบเผลอไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ถ้าเราพยายามฝึกพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆเดี๋ยวต่อไปมันก็จะเผลอน้อยลงไปแล้วต่อไปก็จะไม่เผลอได้เห็นพยายามหัดท่องพุโทโธไว้ก็แลังกันไม่ต้องเขียนคำามันทําต่อไปจากคุณปิยมาสก่อนนอนเราควรสวดมนต์ตรงที่นอนจะเหมือนกับสวดในห้องพระไหมคะ ไม่เหมือนหระกพราะสวดในที่นานมันอาจจะสวดไม่จบไปมันอาจจะหาวขึ้นมาแล้วสลบสลายไปโดยไม่รู้สึกตัว<ม>แต่ถ้าอยู่ในห้องพักนี่มันยังต้องสวดให้จบกว่าเพราะนอนในห้องพักไม่ได<ม>ถ้ถ้ามีห้องพักสวดได้ก็ดีกว่า<ม>หรือว่าถ้าเรามีสติสามารถควบคุมการสวดมนต์ของเราให้สวดได้แบบไม่ไม่หลับได้เราก็สวดที่ที่ห้องหน่อนก็ได้<ม>แล้วแต่ ข้อสำคัญก็คือให้ต้องการให้สวดเพื่อทําใจให้สงบสวดให้มากๆแล้วเวลานอนหลับก็จะไม่ต้องฝันไม่มีความฝันนอนหลับสบายนอนแบบอิ่มเต็มที่นั่นก็อยู่ที่อยู่ที่สติของเราถ้าเราควบคุมสติให้สวดได้สวดที่ไหนก็ได้ห้องนอนก็ได้ห้องพระก็ได้ถ้าสวดจนจบก่อนแล้วค่อยนอน คำถามต่อไปจากคุณสวัภ า, าเราดูแลผู้ป่วยติดเตียงเขาเป็นเจ้านี้เราเมื่อชาติก่อนใช่ไหมคะไม่เราอาจจะเป็นเจ้านายเราก็ได้เมชาติก่อนเราคิดว่ามันรอบใช้ก็นในชาตินี้มันเป็นอาชีพของเราแล้วเราก็ทําหน้าที่ของเราไปยังไม่มีคำถามเข้ามาจ้คะค่ะโอเค ม, มีแฟนอยากจะถามอนะไรั้ย ไม่มีนะ่ะหนูมีนะหนูก็มาอเชิญแล้วเอาไม้ไปตา น, นะไปตานะนี่คือตอนนี้เนี่ยฝึกสติตอนนี้ฝึกสติอยู่ตลอดเวลาตามที่พระอาจารย์สอนนะครับแล้วก็นั่งสมาธิยังได้ไม่นานเท่าไหร่แ <c oughs> ต่ น, นี้เวลาพิจารณาปัญญาเนี่ยพอออกจากสมาธิแล้วเนี่ยก็มองทุกอย่างให้มันเป็น ไปแล้วแค่นั้นใช่ไมครับอาทางยใช่ไม่ปล่อยวางไม่ให้ไปยึดไปติดไม่ให้ไปอยากกับสิ่งต่างๆทุกๆเรื่องที่ม า, าที่มาเจอมาสัมผัสแล้ถ้าทาําได้ก็พิจารณาไปแล้วคราวนี้ฟังพระอาจารย์สายหลวงปู่มัน่นบางท่านเนี่ยท่านบอกว่าตอนตอนฝึกแต่ท่านยังไม่ได้ฟังไม่ได้ไม่ได้มีปัญญาจากการอยากมาฟังเทศอะไรอย่างเงี้ยครคราวนี้พอท่านนั่งสมาธิไปเรื่อยๆเนี่ยมันเกิดมันเกิดเห็น ว่าร่างกายเนี่ยมันมันมันมันมีการสลายมีเห็นเหมือนตัวเองเป็นซากศพ <c oughs> แบบนั้นจะเกิดขึ้นทุกคนไหครับไม่ครแล้วแต่คนถ้าไม่เกิดแล้วก็ต้อ ง, ต, องต้องสร้างภาพขึ้นมาให้เห็นาหาถ้ามันถ้ามันเกิดขึ้นมาเองเราก็ไม่ต้องสร้างภาพขึ้นมาแต่แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นทุกคนใช่ไหมครับไม่จําเป็นไม่เหมือนกัน แ, แล้ว<ค>อาจจะเคยพิจารณามาก่อนนะครับคราวนี้ตัวตัวปัญญาบารมีเนี่ยปัญญาทั้งสิบตัวเนี่ยส่วนตัวปัญญาบารมีที่เราทําอยู่เนี่ย ถ้าถ้าชาตินี้เราไม่จบเนี่ยมันต่อไหมฮะมันมันไม่หายใช่ไหมอันนี้อีกคําถามหนึ่งอาจารย์โทสะเนี่ยถ้าเกิดว่าเรายังไม่ทันมันเนี้แสดงว่าสติสมาธิเะไยังไม่ไม่ยังไม่พอไม่พอไม่พอเนคือต้องทําไปเรื่อยๆเรื่อยๆทำให้มากขึ้นให้เร็วขึ้นแต่ไปเวลาจะเกิดความกดวันนี้จะรู้ทันครับก็หยุดมันได้ทันทีครับขอบคุณมาก ท่านนึงเยกอกว่ขออนุญาตกลับเรียนทางพระอาจารย์ค่ะคื อ, อสำหรับตอนหนูก็มีความตั้งใจปฏิบัติธรรมนะคะก็ตอนนี้ก็ได้ชักชวนคุณพ่อคุณแม่นะคะแต่ว่าคุณแม่ก็จะมีมีความเข้าใจแล้วก็ ปฏิบัติมากกว่าคุณพ่อค่ะคุณแม่ก็จะมีการถือศีลทุกวันพระแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ก็จะใส่บาตรทุกเช้าค่ ะ, ะสำหรับตัวหนูเองหนูก็มองว่าการที่จะ ทำให้คุณพ่อเข้าใจทำมามากขึ้นก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวจะไปซื้อที่เราก็ปลูกบ้านที่เมืองจันเพื่อที่ว่าจะใช้ความเงียบนะคะที่ทําให้คุณพ่อได้เกิดปัญญามากขึ้นทางธรรมไม่ทราบว่าสิ่งจะช่วยได้ไหมคะพระอาจารย์คือมันต้องเกิดจากความต้องการของคุณพ่อเองถ้าเราไปยัดเยียดให้กับท่านบางทีท่านไม่ต้องการก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรมันต้องปล่อยให้เป็นไปตามตามความปรารถนาของท่านจะดีกว่า แต่แลรวก็อาจจะทำที่ให้ท่านอยู่ได้<ำ>แต่ถ้าท่านไม่ไปอยู่ไป บ, บังคับท่านไม่ได้ท่านท่านอยากไปอาจารย์อยากไปก็ทำไปแต่ข้อสำคัญก็คือต้องฝึกสติทำใจให้สงบแล้วท่านก็จะเข้าใจธรรมะดีขึ้นต่อไปตามมาอีท่านหนึ่งกับนมัสการพระ อ, อาจารย์ครับตอนนี้ผมใช้ลมหายใจเป็นเครื่องอยู่ครับเพื่อให้เกิดสติ ถ้าถ้าเราสามารถอยู่กรลมหายใจจนมีสติได้แล้วเราต้องทำความสงบเพิ่มเติมอีกนะครับก็ต้องนั่งบ่อยๆนั่งสมาธิบ่อยๆนๆั่งให้ับใจให้สงบนานๆนิ่งนานๆรหรือว่าเราจะเจริญสติจนกระทั่งหลับไปเลยครับก็เวลาหลับก็สติก็จะหมดไปเอง เวลาตื่นให้มาก็เจริญสติใหม่ทันทีพอเรารู้ตัวให้เราลุกขึ้นตนื่นขึ้นมาหรือว่านอนเจริญสติไปครับไม่ว่าจะอยู่ท่าไหนก็ได้เจริญสติได้ทุกปีเดียบท์บแต่การดูลมนี้อาจจะไม่เหมาะกับในปีเดียบท์อื่นอาจจะเหมาะแต่เฉพาะเวลาเรานอ น, อนหรือเวลาเรานั่งเวลาที่เราเดินเคลื่อนไหวนี่อาจจะใช้การดูล่างกายแทนก็ได้ ดูการเคลื่อนไหวของร่างกายเพราะลมมันละเอียดมันจับยากแล้วเราต้องทำงานอยู่แล้วเราก็ดูงานที่เราทำไปควบคู่กันไปอาบ น, น้าล้างหน้าแปรงฟันก็ดูงานที่เรากาลังทำอยู่อย่าไปดูอย่าไปดูมมันยากครับเวลากินข้าวก็ดูการกินข้าวไปอันนี้ก็เป็นการจเจริญสติแทนลมได้ง่ายกว่าหรือว่าถ้าเรา ทำเจริญสติในอาณาปณะสติสิบหกขั้นโดยทําความสงบแล้วเราปล่อยให้สติเขาเกิดเองแบบไหนจะดีกว่ากันครับอ่าไม่เกิดเองอะแล้วต้องคอยเจริญอยู่ยอ๋อต้องเจริญใช่ไหม ค, ครับต้องคอยบังคับมันอยู่เรืยให้อยู่กับลมไปเรื่อยรหรือเวลาไม่ได้นั่งก็ให้อยู่กับร่างกายกายกตาสติการมีสติอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายเวลานั่งก็ดูอาณาปณะสติดูลมหายใจเข้าออก ถูกครับาทางหลังอีกท่านนึ่งกับนักราการพระอาจารย์ครับกเ็เวลาเจริญสติบางครั้งนะครับมันมีความนึกคิดไปในเรื่องของทางด้านกามอารมณ์บางครั้งก็เห็นแล้วมันก็ดับแต่บางครั้งก็ถ้าไม่ดับก็คื อ, อใช้การพิจารณาสุภะให้ ให้เห็นเรื่องซากศพอะไรพวกนี้ครับอันนี้เป็นแนวทางที่ถูกไหมครับก็ถ้ามันดับได้ก็ถูกนะถ้าดับไม่ได้อาจจะอาจจะอาศัยการคอยมีสติไม่ให้มันเกิดขึ้นมาอย่าไปเพลิดสติให้มันอยู่กับพุโทโธพุโทโธไปเอยหรืออยู่กับสุภาพไปเลยก็ได้แล้วแต่เราจะชอบใช้กรรมฐานแบบไหนก็ใช้ได้เรา จ, จะใช้ซากศพแทนพุโทโธก็ได้ครับผม อ่าเอกคำถามหนึ่งครับพระอาจารย์อ่าตอนนี้บนเขาชีโอนนี่ยังมีให้ให้ขึ้นอนุ ญ, ญาตให้ขึ้นไปปฏิบัติก็ต้องอไปทางพระก็เดินต้องไปถามพระที่อยู่บนเขาก็เดินออต้องติดต่อที่ไหนได้ครับติดต่อที่ศาลาตอนเช้าที่ท่านมามาณชั้นที่ศาลาตอนเช้าค่ะผมค่ะ ถ, ถูกครับมีคําถามจากคุณจรัญญาเจ้าค่ะ เราสามารถภาวนาว่าเราจะตายนะจะตายนะได้ตลอดเวลาไหมคะมีผลเสียไหมคะทําได้ก็ดีสิคุณจะทําไม่ได้อตัวเราเรื่องตัวเราจะต้องตายหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าก็ตายหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกก็ตายมันจะได้ทําให้เราลดความโลภความอยากต่างๆลงแล้วทําให้เราเตรียมตัวรับกับความตายต่อไปที่จะต้องเกิดขึ้นกับเราทุกคน ถ้าเราก็จะไม่กลัวตายไม่ทุกข์กับความตายได้ถ้าเราทำได้แต่ถ้าเราคิดถึงความตายแล้วอยากจะฆ่าตัวตายก็ต้องหยุดแสดงว่ามากเกินไปคิดมากเกินไปคิดไม่ถูกความตายนี้คิดไว้เพื่อให้เรามาหยุดกิเลสแต่ถ้าคิดแล้วทำให้เราอยากจะฆ่าตัวตายนี่มันแสดงว่ามันเกินต้องหยุดแล้วเปลี่ยนเป็นมาเปลี่ยนมาเป็นพุโทโธอะไรทานองนี้แทน คำถามจากคุณโกโก้จะทําอย่างไรให้ไม่เสียใจกับญาติพี่น้องที่คิดไม่ดีกับเราเจ้าค่ะคิดก็ว่าเป็นเหมือนกับดินฟ้าอากาศก็แล้วกันเขเป็นสิ่งที่เราควบคุมบังคับเขาไม่ได้เขาจะดีกับเราเขาจะร้ายกับเราเราก็ไปสั่งเขาไม่ได้ดินฟ้าอากาศมันจะหนาวมันจะร้อนมันจะเย็นเราก็ไปสั่งมันไม่ได้แต่เราอยู่กับมันได้เราก็ทําใจอยู่กับมันไป อยู่กับคนที่ไม่ดีกับเราได้ไม่เดือดร้อนถ้าเราลองเข้าว่าเป็นเหมือนดินฟ้ากัดคำถามต่อไปจากคุณป๊อปปี้อายขออนุญาตครับตอนนั่งสมาธิแล้วมีความรู้สึกว่า <c oughs> หัวใจเต้นตุบตุบแล้วเกิดขึ้นขึ้นหัวตุบๆุครับมาถูกทางไหมครับไม่ถูกครับ้าเราไม่อยู่กับพุโทโธนี่มันก็แสดงว่าเรานั่งไม่ถูกแล้ว ถ้าเราอยู่กับพุโทโธอะไรจะเกิดขึ้นเราก็ไม่สนใจปล่อยมันเกิดขึ้นไปไม่ต้องไปรับรู้มันให้ดูอยู่กับพุโทโธพุธโทโธไปอย่างเดียวอย่าไปรู้กับเรื่องอื่นที่เกิดขึ้นคําถามจากคุณจรัญญาขอฝากคําถามอีกหนึ่งข้อนะคะการปล่อยว่ามีความหมายเดียวกับอุเบกขาไหมคะว่าอุเบกขาก็คือการเฉยๆไงใครจะดา่าใครจะชมก็เฉยๆ ไม่ไปเดือดร้อนกับการกระทําของผู้อื่นคำถามจากคุณฝนพระอาจารย์คะช่วงที่ผ่านมามีความเจ็บป่วยเข้ามามีความเจ็บปวดตามร่างกายหนูใช้วิธีภาวนาพุทโธและมองว่าร่างกายนี้เป็นดินน้ำลมไฟที่ทุกข์อยู่นี่คือใจ หลังจากนั้นความปวดมันเบาและหายไปเองเลยค่ะแล้วมันก็เกิดขึ้นมาใหม่หนูก็ภาวนาพุทโธใหม่ใช้วิธีพิจารณาแบบนี้ลงไปได้เลยใช่ไหมคะถ้ามันใช้แล้วมันทำให้ใจเราสบายก็ใช้ได้แต่บางทีมันอาจจะใช้ไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนวิธีอื่นแล้วแต่เพราะบางทีกิเลสมันรู้ทันเราเหมือนยา ยามันพอเรากินยาให้มันกินยาชนิดนี้มันก็ยอมแพ้เดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ดือ้อยามันฉลาดกว่ายาบางทีธรรมะที่เราใช้ก็เป็นยาบางทีใช้อันนี้ได้ผลคราวนี้แต่คราวหน้ามันไม่ได้ผลก็อาจจะต้องใช้อย่างอื่นต่อคําถามจากคุณศักดิ์สิทธิ์พระอาจารย์ครับ ผมฝันทุกวันเลยครับเหมือนกับว่าจิตผมออกไปข้างนอกแบบนี้แปลว่าไม่มีสติใช่หรือเปล่าครับใช่สติน้อยใจเราฟุ้งซ่านใจเราคิดมากเวลาหลับก็ยังคิดต่อเป็นความฝันคำถามหมดแล้วจ้ะค่ะคำถามหมดแล้วโอเคมีใครอยากจะถามอีกไหมอ่าถ้าไม่มีก็คิดว่าเอาแค่นี้ก่อนนะ